สาปฏิจจสุบาทถึงหน้า631อ นี้จะเป็นเรื่องปฏิจจสุบาทแห่งวิชาและวิมุตต์ตรัสแก่กุณฑลิยะปริภาชกที่มิคาทะมิคาทายะอัญชนาวันก <c oughs> ุณฑละปริภาชก ได้ถามพระตถาคตว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบเที่ยวไปตามหมู่บริษัทในอารามต่างๆข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญเมื่อข้าพเจ้าเสร็จพัตกิจในเวลาเช้าแล้วหลังจากเวลาแห่งพัทแล้วกิจเป็นประจำวันของข้าพเจ้าคือเที่ยวไปจากอารามนั้นสู่อารามนี้ จากอุทยานนั้นสู่อุทยานนี้ในที่นั้นข้าพเจ้าได้เห็นสมณะพราหมณพวกหนึ่งหงเป็นผู้มีการเปลื้องวาทะแก่กันและกันเปลื้องวาทะคล้ายๆโต้วาทะกันเนี่ยนะ <c oughs> หรือปลดเปลื้องวาทะของคนอื่นว่าอย่างนี้อย่างนี้เป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจก็มี มีการติเตียนกันเมื่อกล่าวคาถา น, นั้นอยู่ก็กมีนะเป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจก็มีก็พระสมณาโคดมเล่าเป็นผู้อยู่ด้วยการมีอะไรเป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจเขาก็ถามว่าผู้เจ้าเนี่ยอยู่ด้วยอะไรนะเป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจของเราก็อาจจะมีสภากาฟแฟนะไปนั่งคุยกันนะสนทนาผู้เจ้าบอกว่ายังไงดูก่อนกุลธรยะ ตถาคตอยู่ด้วยการมีผลแห่งวิชาและวิมุตเป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจ <c oughs> เวลาเราฟังอย่างนี้เนี่ย <c oughs> มันเป็นคำที่เอาไปใช้แบบทั่วๆไปไม่ได้อะทำไมพระเจ้า ย, ยังสนุกสนานชอบใจอีกเน <c oughs> <c oughs> ี่ยมันเป็นผลแห่งวิชาวิมุตอย่างพู้เจ้าอยู่ด้วยสุญญาตาวิหารธรรมอย่างเนี้ย แต่เขาพูดในสำนวนอย่างเนี้เพื่อผู้เจ้าพูดเพื่อให้เขาเข้าใจในแบบของเขานะแต่ความอยู่ด้วยวิชาวิมุติเนี่ยมันไม่ได้สนุกสนานชอบใจอย่างในทางโลกที่เราเป็นกันนะฉะ น, นั้นในสำนวนการพูดอย่างนี้จะเอาไปใช้หมดทุกเรื่องนะก็ไม่ได้ต้องพิจารณาดูให้ดี <c oughs> เขาถามต่อว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็ทำเหล่าไหนเล่าที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาวิมุตตให้บริบูรณ์นะเพราะนั้นเขาก็ชักเริ่มสนใจแล้วว่าผู้เจ้าบอกว่ามีผลแห่งวิชาวิมุตต์เป็นเครื่องสนุกสนานเขาก็อยากสนุกสนานเขาก็ถามอ้าวแล้วไอ้วิชาวิมุตต์เน่ะมันคืออะไรมีเหตุเกิดมาอย่างไรอย่างนี้อ่ะก็ถูกไล่ถามไปแล้ว <c oughs> ผู้เจ้าก็บอกกุลธริยะโพชงเจ็ดประการแลพโพชงเจ็ดประการเนี่ยนะมันจะทำให้วิชาวิมุติเกิดแล้วมันจะทำให้สนุกสนานชอบใจนะในแต่ละวันนะเขาก็ถามต่อข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็ทำเหล่าไหนเล่าที่บุคคลเจริญแลกระทำให้มากแล้วย่อมทำาโพชงเจประการให้บริบูรณ์ดูก่อนกุลธริยะสติปัฏฐานสี่ประการแล ครูเจ้าก็ไล่ถอยลงมาถึงเหตุของการเกิดเหตุของการเกิดวิชาวิมุติคือลายโพชฌงเจตเหตุของการเกิดโพชฌงเจตคือลายสติปัฏฐาน4เหตุของการเกิดสติปัฏฐาน4คือลายสุดจริต3ประการสุดจริต3ประการมีอะไรเป็นเหตุเกิดอินทรีย์สังวรนะสำรวมอินทรีย์พอเราสํารวมอินทรีปั๊บเนี่ยกายทุจริตวัจจีทุจริตมโนทุจริตเกิดขึ้นไม่ได้กายวาจาใจมันจะสุดจริต เมื่อกายวาจาสุดจริตกายวาจาใจสุดจริตนั่นคือมันจะเป็นเหตุให้สติปัฏฐานสนั้นบริบูรณ์พอสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์โพชฌงค์เกจะบริบูรณ์โพชฌงค์เกตบริบูรณ์วิมุตติก็บริบูรณ์อย่างนี้ผู้เจ้าจึงไล่สุดมาแค่อินทรสังวรสำรวมมินทร์สี่เห็นนะเพราะฉะนั้นพระสูตรที่ตราสเกี่ยวกับเรื่องการสำรวมจิตอยู่กับกาย หรือให้จิตอยู่กับปัจจุบันนั้นเนี่ยมีเยอะมากให้จิตอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมอันนี้ก็เป็นพระสูตรที่สนับสนุนการสารวมอินทรีย์อีกอันหนึ่งคุณธริยะอินทรีย์สังวร อ, อันบุคคลจเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงจะทำสุดจริต3ประการให้บริบูรณ์ดูก่อนคุณธริยะภิกษุในกรณีนี้เห็นรูปที่น่าพอใจด้วยจกักษุแล้ว ย่อมไม่เพ่งเล็งด้วยความโลภไม่หวังจะเอามาทะนุถนอมไม่ทำราคะให้เกิดขึ้นกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่ตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วในภายในอันนึ่งเธอเห็นรูปที่ไม่น่าพอใจด้วยจกักษุแล้วย่อมเป็นผู้ไม่เงองะไม่มีจิตตั้งอยู่ด้วยโทสะมีใจอันความโกรธไม่ครอบงำแล้วมีจิตไม่มาตร้ายแล้ว กายของเธอก็คงที่จิตของเธอจิตก็คงที่ตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วในภายในไ <c oughs> ล่ปลายกรณีของตาเห็นรูปผูประทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสปวตัพะสัมผัสธรรมารมณ์ดูก่อนกุณทริยะเ <c oughs> พราะเหตุที่ภิกษุเห็นรูป ด้วยจากสูแล้วเป็นผู้คงที่มีจิตอันกิเลสไม่ครอบงำแล้วไม่มีจิตถึงความผิดปกติแล้วในรูปทั้งหลายทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจกายของเธอจึงคงที่จิตของเธอจึงคงที่เป็นจิตตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วในภายในดูก่อนคุณทริยะอินทร์สังวรอันบุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้วอย่างนี้แลจึงจะทำสุจริต3าประการให้บริบูรณ์แล้วผู้เจ้าก็ไล่ย้อนขึ้นไปอีกนะสุจริต3ประการบริบูรณ์สติปัฏฐานนะบริบูรณ์ดูก่อนกุณทรยะภิกษุในกรณีนี้ย่อมเจริญกายสุจริตเพื่อละกายทุจริตย่อมเจริญวจีสุจริตเพื่อละวจีทุจริตย่อมเจริญมโนทุจริตเพื่อละ ย่เจริญมโนสุจริตเพื่อละมโนทุจริตดูก่อนคุณทริยะสุจริต3ประการอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอย่างนี้แหละจึงจะทําสติปัฏฐานทั้ง4ี่ให้บริบูรณ์พระองค์ก็เริ่ม <c oughs> ลงรายละเอียดเรื่องสุจริต3ประการเป็นยังไงนะเริ่มลงรายละเอียดสติปัฏฐาน4เป็นยังไงดูก่อนคุณทริยะสติปัฏฐาน 4ประการอันบุคคลจเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงจะทําโพชงเจประการให้บริบูรณ์ดูก่อนคุณธริยะภิกษุในกรณีนี้ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำ เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ดูก่อนกุณธรยะสติปัฏฐานสประการอันบุคคลจเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอย่างนี้แลจึงจะทําโพธชงเจ็ประการให้บริบูรณ์พระงก็ไล่ต่อไปเรื่อยๆ ก็มาถึงอธิบายโพชง7อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรจึงทำวิชาวิรุษให้บรยบูรณ์ก็เจริญสติสัมโพธชงอนาสัยวิเวกวิราคะนิโรธน้อมไปเพื่อความปล่อยวางคือโวศกะเจริญธรรมะวิจยะวิริยะปิติปัสสธิสมาธิอุเบคาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้ว กุณธริยปริภาชกยกย่องชมเชยในพระธรรมเทศนาแล้วแสดงตนเป็นอุบาสกรับนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสลาณะจนตลอดชีวิตจากพระสูตรนี้มีใครสงสัยจะซักถามอะไรไหม พระสูตรต่อไปนะวันนี้เอาสักสองพระสูตรอุณาพระพรามทูนถาม พระตถาคตว่าข้าแต่เพราะโคโดมผู้เจริญอินทรีย์5อย่างเหล่านี้มีวิสัยต่างกันมีโคจรต่างกันไม่เสวยโคจรและวิสัยของกันและกัน5อย่างคือนะอินทรีย์คือตาอินทรีย์คือหูจมูกกลิ่นกายนะข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรเป็นปฏิสลนะปฏิสลนะอันนี้ แปลว่าที่ลั่นไปสู่ของอินทรีย์เหล่านั้นอะไรเป็นที่ลั่นไปสู่ของอินทรีย์เหล่านั้นอะไรย่อมเสเวยซึ่งโครจรและวิสัยของอินทรีย์เหล่านั้นดูก่อนพรามใจเป็นปฏิสารณะของอินทรีย์เหล่านั้นใจย่อมเสเวยซึ่งโครจรและวิสัยของอินทรีย์เหล่านั้นใจเป็นที่ลั่นไปสู่ของอินทรีย์ใจจะเข้าไปรู้ในช่องทาง ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่แล่นไปสู่อินทรีย์เหล่านั้นนะข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรเป็นปฏิสรณะของใจดูก่อนความสติแลเป็นปฏิสรณะของใจนะข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญ อะไรเป็นปฏิสรนะของสติดูก่อนความวิมุติแลเป็นปฏิสรนะของสตินั้น <c oughs> สติเป็นที่ลั่นไปสู่ของใจวิมุติเป็นที่ลั่นไปสู่ของสติหรือสติลั่นไปสู่เป็นที่ลั่นไปสู่วิมุตินั้นเมื่อเรามีสติเนี่ย สติ ก, การระลึกได้เมื่อมีการระลึกได้กลับมาสติแปลว่าการระลึกได้ยมกําลังเพลในอารมณ์อยู่ปุ๊บเนี่ยระยมระลึกได้ถึงลมหายใจอันนี้เรียกว่าอาการของสติสติคือระลึกได้ขณะที่ระลึกได้เนี่ยจิตดวงหนึ่งจะต้องดับไปอีกดวงหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นจิตสองดวงนี้คนละดวงกันมันจะผ่านช่องว่างในที่แคบแคบที่พระเจ้าตัดเอาไว้นิดหนึ่งปั๊บเนี่ยคือผ่านมิมุติไปนิดหนึ่ง นึงในร้านวินาทีแปบ๊บเดียวเราะนั้นขณะมีสติเนี่ยมันแล่นไปสู่วิมุตติมันแปบวบิมุตติไปนิดนึงแหละแต่เราก็หลงต่อมีอวิชาก็ยึดปิญญา ด, ดวงใหม่ต่อไปนะมันก็เลยไม่รู้สึกว่ า, ามีอาการสะดุดอะไรนะจิตก็จะเกิดดับเกิดดับตลอดเลยนะเราจะรู้สึกว่ามันต่อเนื่องตลอดไม่มีรอยสะดุด เขาถามต่อว่าดูก่นพรามนิพพานแลเป็นปฏิสลนะของวิวุษเขาถามต่ออีกอะไรเป็นปฏิสลนะของนิพพานดูก่นพรามแล่นเตลิดเลยไปเสียแล้วไม่อาจถือเอาที่สุดแห่งปัญหาเสียแล้วเพราะว่าปรมาจันนั้นเขาอยู่ประพฤติกันมีนิพพานเป็นที่อย่างลงมีนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีนิพพานเป็นที่สุด <c oughs> อินทรีหเป็นที่ล่นไปสู่ของใจใจเป็นที่ล่นไปสู่ของสติสติวิมุตติวิมุตตินิพพานจริงๆวิมุตติกับ น, นิพพานเนี่ยเป็นชื่อแทนกันได้เพราะนั้นนิพพานตรงนี้ก <c oughs> ็จะต้องหมายถึงวิมุตติญาทณทัศนะผู้รู้ในวิมุตติ